พระเิจลาศิขาทั้งสิบสี่ไปสู่คราวาดพวกเราได้บวชตามความต้องการหรือว่าตามความประสงค์โดยเฉพาะพระใหม่ที่บวชวันที่สองธันวาพุทธศักราช2553เป็นการบวชเฉลิมพระเกียรติเป็นการบวชี่พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนอายุแปดสิบสามพระพรรษาเราบวชมาคราวนี้เราบวชเพื่อเฉลิมพระชนพรรษาเพื่อเป็นการบูชา พ, พระคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยพื้นแผ่นดินไทยปกครองโดยพระมหากษัตริย์ตัต้งแต่ดึกดําบัน ไม่เคยขาดจนมาถึงปัจจุบันพวกเราเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์เห็นพระคุณต่อสถาบันพวกเราจึงได้เสียสละความสุขในเมื่อเป็นครวาดแล้วก็เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลอย่างที่ผมได้กล่าว แต่พร้อมกันพวกเราก็ได้มาเพื่อเป็นการฝึกหัดดัดนิสัยเป็นการเป็นอยู่ของพวกเราอีกชีวิตหนึ่งอีกระบบหนึ่งที่เข้ามาบวชแต่อยู่ในโลกใบเดียวกันแต่ว่าการเป็นอยู่ของพระก็อยู่ในอีกแนวแถวหนึ่งแนวความคิดหนึ่ง ชีวิตการเป็นอยู่อีกแบบหนึ่งแต่ว่าถึงยังไงก็ต้องใช้ปัจจัยสี่ข้าวน้ำโภชนาอาหารที่อยู่อาศัยที่พักผอาใส ย, ยาแก้โรคภัยไข้เจ็บผ้านุ่งห่มอย่างเก่าแต่ก็ไม่เหมือนเก่าอันนี้พวกเราก็คงได้ได้สัมผัสแล้วในี่คือประพัทตศาสฐาน คือทมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแยกออกมาจากมวลมนุษยชาติมวลมนุษยชาติเขาคิดอีกอย่างหนึ่งแต่พอเขามาบวชในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้คิดอีกในระดับหนึ่งแนวหนึ่งถ้าว่าพวกเราเข้ามาอยู่หรือเข้ามาศึกษาในพระพุทธศาสนาเข้ามาอยู่ พวกเราก็คงจะได้สังเกตว่าในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นในตํำรับตําราก็ดีในพระธรรมเทศนาครูบาอาจารย์ก็ดีรว่าการเป็นอยู่ชีวิตประจําวันของพวกเราก็ดีพวกเราก็พอจะสังเกตได้ว่าการเป็นอยู่ของพระเนี่ยแต่ต่างกว่าคลขาวาัต เป็นครว่าต์ญาติโยมนั้นพวกเราก็คิดอีกในแนวหนึง่งการเป็นอยู่อีกแนวหนึง่งแต่เป็นพระเนี่ยก็อย่างที่พวกเราได้สัมผัสสรุปแล้วคือคือเป็นพระเนี่ยเป็นการสู้ระหว่าการอดทนทางด้านจิตใจพูดได้อย่างนั้น มันไม่ใช่เรื่องร่างกายเจแล้วแต่ไหแต่ว่าการเป็นครวัตนั้นเราสู้ทางด้านร่างกายแนวความคิดการทำการทำงานทามาค้าขายการเป็นอยู่ทุกอย่างอิสระอ่าแต่ตะปุกปะกรลนปนเปนกันทางสุขท้งถุกทั้ทงสุขทัข้งทุกแต่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาถึงพวกเราจะไม่ได้ทาการทำงาน ถ้าเราเป็นพระที่แท้จริงเป็นพระสมบูรณ์แบบเราต้องสู้อารมณ์ทางด้านจิตใจวันนี้ใจเราคิดเรื่องอะไรปรุงไปเรื่องไหนไปเรื่องการมกิเลสเรื่องความรักความใคร่หรือเราคิดไปทางไหนใจของเราในวันนี้ถ้าพวกเราเป็นนักสังเกตเป็นนักภาวนานักทําจิตให้สติอยู่กับตนเอง ให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตนเองพวกเราจะมองเห็นว่าการเป็นอยู่ของนักพรตนักบวชเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเท่าไหร่นะเป็นการสู้กับอารมณ์ทางด้านจิตใจไม่ให้จิตใจคิดออกนอกรูนอกทางนะไม่ใช่ของง่ายเพราะนั้นจึงหาคนบวชยากสรุปแล้วถึงข้าวน้ำโพชนาะอาหารบริบูรณ์ไม่ได้ทาการทำงานก็จริงแต่ว่าเราสู้ทางด้านจิตใจ เรายากจะให้เป็นอยากจะให้เราเป็นพระที่สมบูรณ์เราต้องสู้ต้องควบคุมอารมณ์ควบคุมทางด้านจิตใจทำจิตใจให้เป็นสมาธิจากนั้นก็เดินปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงให้เห็นตามแนวแถวพุท ธ, ธที่พระพุทธองค์แนะนำสั่งสอนอย่างไรครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนอย่างไรเราก็จะต้องเดินตามแนวแถวนั้นเพราะนั้นการบวชถ้าจะว่าไปแล้ว ในหลักของพุทธมีคุณค่าเพราะควบคุมทั้งด้านจิตใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้ารู้จักมาดูใจของตนเองแต่นี่ถ้าเราไปเป็นฆราวาดเราก็ปล่อยปะละเลยเหมือนกับปล่อยช้างเข้าดงอย่างนั้นแ่ะสุดแท้แต่มันจะไปกัดไปถีบไปอิสระเซรีของมันตกเหวตกบอ่อไปเลยฮะอันนี้คือชีวิตของฆราวาดนะแต่ถึงยังไง พวกเราเข้ามาได้สัมผัสในพระพุทธศาสนาเป็นเวลาอันสั้นวันที่สองถึงวันที่ย4่แต่ผู้บวชนานกว่า น, นั้นก็มีบวชในพรรษาแต่ก็ได้ตั้งความหวังตั้งความหมายไว้ว่าเมื่อลาออกพรรษาแล้วก็จะได้ลาศิกขาแต่นี้ก็เลยมาล่วงเลยมาตั้งแต่ เดือนสิบเอ็ดเพนจนถึงเดือนธันวาเกือบจะสิ้นปีใหม่หลวงพ่อเห็นแล้วก็เป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้มีความอุตสาหะวิริยะที่รักษาศีลมาได้นานขนาดนี้ก็นับว่าเป็นผู้มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นได้เลยมาถึงขนาดนี้ <Yeah. S 1> เพราะนั้นขอให้พวกลูกหลานพระทุกองนะ เมื่อไปเป็นคราวาสแล้วก็ให้เป็นคราวาสที่ดีให้อยู่ในคราวาสธรรมให้มีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจในการดำรงชีพอย่าไปทะเลทรลยหลวงพ่อพูดได้อย่างเดียวว่าถ้าเคยผ่านวัดป่านาคำน้อยแล้วถ้าเป็นไปได้นะเรื่องสุราควรงดโดยเด็ดขาดหลวงพ่อว่านะและตอนนี้ไปหลวงพ่อจะ ทำความเข้าใจกับการกลาศิกขาของพวกเราคือการลาศิกขาเนี่ยในหลักพระวิัยท่านบอกว่าต้องทำความเข้าใจกับผู้ที่จะลาศิกขาผู้ที่จะลาศิกขานั้นต้องออกมาจากใจจริงไม่มีการขู่ไม่มีการบังคับขู่เข็นไม่มีการชักชวนแล้วก็ลุ่มหลงไปตามที่เขาบอกกล่าว ออกมาจากใจจิตคือตัวเองมีความตั้งใจอย่างไรเร า, าจะราสึกขาอย่างไร เ, เราตั้งใจไว้อย่างไรก็ไดปฏิบัติตามนั้นด้วยความจริงจังและจริงใจไม่มีการขู่เข็นบังคับคาว่าขู่เข็นบังคับนะี่คืออะไรคือพระในครั้งพุทธการในครั้งพระพุทธเจ้ า, าพระสงฆ์ไปเที่ยวป่าดงพงไพ่โจรผู้ร้ายเขามาขู่บังคับ ใ ห, ให้ลาใ ห, ให้สึกถอดผ้าออกแต่องค์นั้นก็เอถึงจะไม่มีผ้าติดตัวเขาให้ผ้านิดหน่อยจนอื่นเขาเอาไปหมดเมึงสึกนะก็ต้องยอมรับว่าให้สึกแต่ตัวเองไม่อยากจะสึกพอไปถึงไปดได้ผ้ามาก็โหมผ้าโหมผ้าแล้วก็มีความสงสัยว่าในช่วงนั้นเขาบังคับให้สึกเน่ยมันจะเป็นการศึกไหมพระพุทธเจ้าทว่ม ไม่ไม่ได้สึกเพราะเหตุไรเพราะว่าเราไม่ได้ออกมาจากรด้านจิตใจเราเขาบังคับให้กล่าว บ, าบับงบังบังคับให้ทำํำแต่ใจของเรายังไม่ได้ทําอันนี้ไปโอะยังไม่ลาศิกขาแต่ถ้าว่าเราก็ไม่ได้เมื่อลาเมื่อเขาบังคับไปแล้วเราก็ไม่ได้กินข้าวแรงแกงร้อนไม่ได้ทําความชั่วเราก็รักษาว่าเราเป็นพระอยู่ แต่เราไม่ได้มียูนิฟอร์มคือผ้าเหลืองหุ้มตัวเท่านั้นเองแต่เรายังรักษาแบบพระอยู่อันนี้ก็ยังเป็นพระเสมอไปไม่ใช่ว่าเขาทอดผ้าจีวร อ, ออกแล้วก็ตัวเองก็ทําความชั่วแล้วก็อยากมาเป็นพระอันนั้นไม่ได้ผิดเหมือนกันเพดัะนั้นแต่คราวนี้พวกเราท่านทั้งหลายก็คงจะมีเจตนาลาสิกขาแ ล, ล้วแหะอันนี้เป็นการทําความเข้าใจกับพวกท่านทั้งหลาย ว่าพระวินัยของพระสงฆ์พระวินัยของพระพุทธศาสนานั้นท่านเข้มงวดขวดขันอย่างไรในการเป็นอยู่ของเราทุกระดับทุกระบบทุกอาการการเคลื่อนไหวเมื่อเราเป็นพระทำตนอย่างไรเมื่อเราจจราญสิขาพระวินัยก็พูดกล่าวว่าอย่างไรเพราะนั้นหลวงพ่อเองในนามพระสงฆ์ก็ต้องยึดแนวแถวพระวินัยเป็นหลัก ตีจะพูดตามอําเภอใจตามอัธาใจตามความต้องการของตนเป็นไปไม่ได้การจะกระทําเรื่องการเคลื่อนไหวอะไรต้องมีศีลเป็นเครื่องคุ้มครองวินยัยเป็นคู่คุ้มครองเหมือนกับกฎหมายบ้านเมืองอย่างนั้นพูดอะไรต้องพูดตามกฎ เ, เกณฑ์ตามกฎหมาย เ, เมื่อเราเป็นพระ เ, เราก็ต้องพูดตามศีลและวินยัยพระพุทธเจ้ า, าบัญญัติไวอ้อย่างไรเราก็ปฏิบัติตามนั้นเพราะนั้นขอให้พระลูกหลาน สิจลาสิขานั้นให้เข้าใจว่าการกล่าวลาสิขานั้นออกมาจากใจจริงออกมาเจตนาที่ตนเองได้ตั้งใจเอาไว้แล้วน ะ, ะตอนนี้ไปนั่งคุกเข่ากราบสามครั้งวานมโมสามจบต่อเนื ต, าาาาต อ, ตมมตอนน้ไปตั้งใจสมาทานศีล พวกเราได้กล่าวลาศี้ขาเมื่อจะจก่อนเราเป็นพระเราก็ยึดศีลดึจฟินัยเป็นหลักแต่เมื่อเราเป็นออกไปเป็นครวา่าตเราก็จะยึดพระไตรสรณะคมคือข้าพเจ้าจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งจากนั้นก็จะสมาทานศีนแต่เมื่อศีนของเราเรื่อมันขาดไปแล้วแต่พระไตรสรณะคมเนี่ยอย่าอย่าได้ขาด ให้ยึดพระไตรสารณคมเป็นหลัก อ, อ, อย่าไปถือมงคลตื่นข่าวอย่าไปถือพูดผีปีศาจจะไปถือสิออออ่งไหนที่ดีกว่าเลิศกว่าพระไตรสรณคมเาให้พวกเรายึดพระไตรสรณสารณาคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทั้งด้านจิตใจของเราเพราะนั้นพวกเราจึงที่ออกไปเป็นครวัตก็ให้ยึดแน่นนะ ยึดมั่นนะถ้าคนที่ไม่มีอะไรยึดนะเป็นคนหลักลอยใช้ไม่ได้เป็นคนถี่ใช้ไม่ได้แต่พวกเรายึดพระไตรยสรารณคมเป็นหลักพระพุทธเจ้าสอนอย่างไงพระพุทธเจ้าแนะนําอย่างไรพระพุทธเจ้าพาให้ปฏิบัติดีอย่างไงพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทาา่ทานแนะนําสอนพวกเราอย่างไรพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านปฏิบัติอย่างไร แนะนำเราอย่างไรสอนเราอย่างไรทำให้เป็นตัวอย่างอย่างไรนี่อันนีเรายึดคนดีเอาไว้นถ้าไปยึดคนชั่วนมันจะตกต่ำไปเรื่อยถ้ายึดของดีเอาไว้ยึดผู้ดีเอาไว้ยึดผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาไว้มีแต่ความเจริญนะนตอนนี้ไปลงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศินนะโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 อิมานิปัญจะสิกขาปธานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนโะโพกสัมปทาสีเลนนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสธาเยกราบตั้งแต่พวกเราก่อนบวชหลวงพ่อเองก็มีภาระมากอย่างที่พวกเราลูกหลานได้เห็นหลวงพ่อเอง ปีนี้รู้สึกว่าองค์หลวงตามหาบัวท่านอาพาธมาตลอดตั้งแต่ออกพรรษาแต่ยังในพรรษาก็จะอาพาธมาแต่มาหนักอาพาธบ่อยๆหลวงพ่อในฐานะลูกอลูกของท่านเนีแต่ว่าคําว่าทําทไมจึงว่าลูกของท่านเห็นว่ามีท่านมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วอยากจะเป็นลูกของท่านใช่ไหม ก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นลูกคำนี่คาว่านี้นะคือเรามีพ่อแม่ก็พ่อแม่ของเราที่ให้กำเนิดอันนั้นก็คือลูกเราเป็นลูกของพ่อแม่เป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปกรากระก่อนคือพ่อแม่คือให้ร่างกายของเราแต่ครูบาอาจารย์อย่างองค์หลวงปู่ล่าหลวงตามหาบูหลวงปู่ที่หลวงพ่อไปอยู่ด้วยหลวงปู่จามหลวงปู่แวนเนี่ยนี่ อันนี้ก็เป็นบุพการีให้ธรรมะให้แนวความคิดออให้ทางด้านจิตใจคิดยังไง เ, ออเมื่อคิดถูกแล้วการกระทำก็จะถูกต้องการพูดออกไปก็จะถูกต้องเพราะท่านให้ความคิดที่ดีเพราะนั้นหลวงพ่อถือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปกรอนกกทางด้านธรรมะส่วนพ่อแม่ที่ให้กาเนิดที่เรา เราเกิดมาเนี่ยท่านให้ร่างกายของเราแต่ส่วนให้ความรู้ความฉลาดนั้นท่านก็ให้บัง่งตามสติปัญญาและความสามารถของท่านแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ฝ่ายพระสงฆ์อย่างที่ลุงพ่อได้เชิดชูบูชาคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลุงพ่อถือว่าเป็นพ่อแลือเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปกา ร, ระก่อนในเมื่อเราท่านให้อุปการ ะ, ระแก่เราแล้ว เราควรจะแสดงแสดงความกตัญญูกตวเวทีตาต่อท่านอย่างไรนี่อันนี้หลวงพวกเราก็ควรจะแสดงความกตัญญูเพราะนั้นหลวงพ่อในองค์หนึ่งถือว่าท่านเป็นพ่อธรรมะอย่างที่วาดเราก็ควรจะเข้าไปแสดงความกตัญญูท่านเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรดูแลอย่างไรประสานมดหมออย่างไรประสานพระสงฆ์ที่เข้าดูแลอุปถัมภ์ปถากอย่างไร ดูแลผิดอ่องประชาชนที่มาเกี่ยวข้องปฏิบัติตนอย่างไรในขณะที่ท่านป่วยท่านช่วยตนเองไม่ได้กลวงพ่อก็ได้เข้าไปดูแล้วก็เข้าไปช่วยแนะนำไปช่วยบอกกล่าวสิ่งที่จำเป็นที่ควรจะบอกกล่าวควรจะประสานเพราะถือว่าเราในฐานะลูกของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ วันน้หลวงพ่อก็เลยบกพ่องทางวัดอที่พวกลูกหลานเข้ามาบวชตั้งแต่วันที่สองในวันที่สองนะั้หลวงพ่อก็ออกมาจากวัดป่าบ้านตานออกมาบวชลูกหลานพอบวชแล้วก็อมาเข้ามาวัดก็ไปเลยก็อยู่ที่นั่นหรือก็เข้ามาวัดไม่กี่ครั้งแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเองก็คิดเป็นห่วงลูกหลานเหมือนกันแต่ลูกหลานที่ว่า หลวงพ่อเองก็ได้ฝากพระไว้ในวัดพระก็หลวงพ่อก็แนะนําสั่งสอนมาพอสมควรแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็ให้แนวความคิดให้ศึกษาธรรมะห้องสมุดก็มีนะลูกหลานนะพระนะในสถานีวิทยุเสียงธรรมของหลวงตาก็เทศทั้งคืนทั้งวันเพราะฉนั้นพวกเราอย่าคิดว่าเราด้อยในการศึกษาเข้ามาบวชในครั้งนี้ถ้าเราใฝ่ในการศึกษา เราก็จะต้องเปิดฟังวิทยุในวัดของเราเพราะวัดของเรามีสถานีวิทยุอยู่แล้วอันนี้หลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อไม่ได้ขาดตกบกพร่องในส่วนอบรมแนะนําสั่งสอนเพราะหลวงพ่อเองไปอยู่กับครูบาอาจารย์หลวงตาหลวงพ่อก็ได้ฟังธรรมเทศนาที่พวกเราได้ฟังกลางคืนนี่แหละในชุดนั้นแหละที่อัดไว้ะก็มาเปิดให้ลูกหลานได้ฟังก็คือได้ฟังอันเดียวกับหลวงพ่อ ถ้าหลวงพ่อได้ฟังอย่างนั้นพวกเราก็ได้ฟังต่อจากหลวงพ่อไปถ้าพวกเราฝ่ายในการศึกษาถ้าว่าพวกเราจะนํามาประพฤติปฏิบัติหรือว่าพวกเราจะนําจะทําตนให้เป็นคนดีพระที่ดีก็เป็นไปได้แต่ถ้าว่าพวกเราเอจะไม่สนใจไม่ได้ใส่ใจแล้วถึงจะไปอยู่ในที่เจริญหรือจะไปจับ ชายสวงจีวรของพระพุทธเจ้าอยู่ไปเกาะแข้งเกาะขาพระพุทธเจ้าอยู่ก็ยังเป็นคนชั่วเหมือนกับพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าอย่างนั้น่ะพระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนำสั่งสอนพระเทวทัตนี่ยไปอิจฉาพยาบาทเรื่องลาบเรื่องยศของพระพุทธเจ้าว่าคนนับถือเริ่มใส่แต่ไม่ได้คิดว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรให้ละโลภโกรธหลงของพันเนี้ย ลาบยศสรรเสริญเป็นของอยู่ในโลกมันไม่ใช่ที่จะเอาไปติดตนไปด้วยเมื่อตายไปแล้วกระดูกตัวเองก็ยังเอาไปด้วยไม่ได้แล้วจะไปสนใจอะไรเรื่องลาบเรื่องยศเรื่องสรรเสริญแต่เท ว, วทัศน์ไม่จะจ ะ, จะไปแย่งลาบยศสรรเสริญจากพระพุทธเจ้าทั้งที่เข้ามาบวชแล้วทั้งที่จะมุ่งมั่นหวังในธรรมะอันสูงส่งกลับมาสนใจกับเรื่องลาบเรื่องยศ ของที่เป็นอยู่ในโลกแปลว่าไฟต่ํานี่แหละถึงเราจะไปเกาะชายสวงจีวรพระพุทธเจ้าอยู่เราก็ยังเป็นคนชั่วสรุปแล้วแต่ถ้าว่าเราเป็นผู้หวังดีเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจไฟในการศึกษาไฟหาธรรมะเนี่ยเราก็มาอยู่วัดว า, าสนาก็เปิดวิทยุฟังธรรมะและจากนั้นก็นํามาประพฤติปฏิบัติ ปรับปรุงกายวาจาใจของเราเราก็จะเป็นคนดีมีแนวความคิดที่ดีเป็นสัมมาทิธฐิขึ้นในจิตใจของพวกเราได้แต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ไฟในการศึกษาแล้วก็อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวถึงหลวงพ่อจะอยู่ในวัดก็เถอะแนะนำสั่งสอนทุกวี่ทุกวันก็เถอะแต่พวกเราก็ยังทะเลถลายถลํมไปในความชั่วอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพระเทวทั์ในครั้งพุทธกาล สอนอยังไงก็ไม่เอาเพราะเหตุใดเพราะสันดาหแลว้วจิตใจไปในทางชั่วเพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนที่เข้ามาศึกษาในธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาแล้วให้นำธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านําไปใช้ในชีวิตประจําวันของพวกเราชีวิตประจําวันของพวกเรามีหลายระดับที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนให้แก่พวกเราอันดับแรกอย่างพวกเราราศิกขาวันนี้ละ บางคนบางกลุ่มเอา้าราศีค้าวันไหนได้เวลาไหนเลือกงามยามดีหรือยังอันนี้พวกเราอย่าไปสะทกสะทานเพราะเหตุไรเพราะเรานับถือพระพุทธศาสนานับถือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเลือกงามยามดีนะั้นเป็นของศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์แต่พุทธศาสนาแล้วท่านสอนว่าทําดี คู่ใดคู่ใดก็คือขณะวินาทีหนึ่งคู่ใดเวลาใดก็นาทีหนึ่งทําได้วินาทีหนึ่งนาทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งทําดีปีหนึ่งเดือนหนึ่งคู่หนึ่งขนาดหนึ่งทุกขณะอันคู่นั่นแหละเป็นมงคล ขณะนั่นแหลเป็นมงคลเดือนปีนั่นแหลเป็นเวลาเป็นมงคลทั้งหมดเมื่อเราทำดีแต่ถ้าเราทำชั่วคู่ใดขณะใดอันนั้นก็เป็นชีวิตที่ชั่วไม่เกิดประโยชน์เป็นความชั่วทั้งนั้นเพราะนั้นเราอย่าไปถือว่าลึกงามยามดีนั้นจะให้คุณให้ให้โทษกับเราในหลักของพุทธศาสนาคือกรรมคือการกระทำถ้าเราทำดีแล้วนั่นแหละ ไปทนะี่สถานที่ใดดีทั้งนั้นอยู่ในะสถานที่ใดดีทั้งนั้นแต่บางครั้งบางคราวเราทําดีก็จริงอยู่แต่ว่ามีสิ่งอภิมงคลสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นกับเราเอ อ, อย่างเราไปยรถชนบ้างตกรถตกเหวตกบออ ย, อย่างนี้ยเป็นตน้นอ่ะยกตัวอย่างแต่เราก็ไปถือว่าเราลาสิกขาผิดเวลเวลาอันนั้นไม่ใช่ กรรมในอดีตของเราเคยเราเคยทำอะไรไว้ก่อนอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ตกเครื่องบินอย่างนั้นทำไมเพราะท่านคงจะเคยยิงนกตกปลามาก่อนอย่างพระพระโมกขลาอย่างนี้นท่านก็เคยฆ่าพ่อแม่มาก่อนท่านจะได้รับกรรมเพราะเราเกิดมาในภพใดชาติใดก็ดีเราไม่ใช่แต่แตจะทำแต่กรรมดีอย่างเดียวไม่ใช่ การกระทํากรรมชั่วนั่นแหละกรรมชั่วตอนนั้นแหะจิตติดตามตามสนองเราถ้าเราทํากรรมดีลำกรรมดีก็จะตามสนองเราเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนบอกล่าวพวกเราท่านทั้งหลายว่าอย่าทํากรรมชั่วเกิดมาพบใดชาติใดก็ดีถ้าสิ่งที่ชั่วแล้วอย่าทําถ้าทําไปแล้วกรรมชั่วนะ่าจะตามสนองตามไปให้ผลกับเราทุกพบทุกชาติถ้าเราทํากรรม ชั่วหนักกรรมชั่วหนักก็จะตามไปให้ผลในภพ ต, ต่อไปเพราะนั้นกรรมชั่วจะทำะเฉลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผลาญเมื่อภายหลังเพราะนั้นพวกเราเข้ามาศึกษาในพระพุทธศาสนาพวกเาพวกเร า, เราท่านทั้งหลายทุกคนนะยาวันไหวที่เขาพูดว่ า, เ, าเกิดศึกมาผิดเว ล, เวลา พวกเราถือว่าเรานับถือพระพุทธศาสนานับถือทำคําสอนของพระพุทธเจา้าเราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทําถ้าเราทําดีแล้วจะชั่วได้อย่างไรถ้าเราทําชั่วแล้วจะดีได้อย่างไรนีพวกเรายึดอย่างนี้แล้วก็ยึดพระไตสรสารณคมอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวยึดพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึง่งพระพุทธเจา้ามีคุณความดีอย่างไรพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าท่านสอนอย่างไร พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติีปฏิบัติชอบเป็นเนื้อนาบุญเป็นผู้นาเป็นตัวอย่างของเราอย่างไรนี่ละ่ะเรายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งจากนั้นชีวิตของเราจะราบรื่นแต่ถ้าว่าพวกเราทำตนไม่ดีออกนอกลูก่นอกทางไม่อยู่ในหลักศีลธรรมพวกเราจะเดือดร้อนนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกทิด ท, ทั้งหลายที่ ลาสิขาวันนี้ทั้ง16ทั้ง14ทิศเนี่ยขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจเป็นคนดีเมื่อเราไปเป็นครวัตเราก็ให้รู้จักเคารพทิศทิศคําว่าทิศที่หลวงพ่อว่าทิศทิศก็คือคนบัณฑิตที่บวชมาเป็นครั้งคราวแล้วเขามาบวชแล้วก็ลาสิขาไปครวัตทางอีสานครับหลวงพ่อทิศเรียกว่าอาจารย์นักปราชญ์อาจารย์ อาจารย์คล้ายๆว่าบวชมาหลายพรรษาลาสิกขาไปแล้วเน่ยใครก็ว่าเป็นผู้นําของชุมชนได้เขาเรียกว่าอาจารย์นักปราชญ์อาจารย์เป็นผู้นําชุมชนเป็นผู้ไหว์พาไหว้พระเป็นผู้พาธรมาทานศีลเป็นผู้ประกอบแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนไปในทางที่ดีเพราะได้ศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนามาแล้วอาจารย์ส่วนทิศเนี่ยก็คือ บวชชั่วค้างชั่วคาวพอเป็นบัณฑิตพอรู้เรื่องบ้างนี่แหละแต่ท่านหลวงพ่อจะพูดทิศให้ฟังอีกท่านทิศทั้งหกพวกเราควรปฏิบัติตนอย่างไงต่อทิศทั้งหกในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนมานบในกรุงราชาคัก์ในยุคสมัยนั้นท่านบอกมานบเธอรู้ไหมที่บิดาท่านสั่งสอนว่า ให้เคารพทิศทั้งหกนั้นท่านเคารพอย่างไรที่ท่านเคารพยกมือไหว้ทิศเหนือทางทิศใต้ยกมือไหว้ทางทิศตะวันออกทางทิศตะวันตกยกมือไหว้ทิศเบื้องสูงท้องฟ้าทิศยกมือไหว้แผ่นดินอันนั้นไม่ใช่การไหว้ที่ถูกต้องไม่ใช่การอ่อนน้อมเคารพคารวะที่ถูกต้องการเคารพคารวะที่ถูกต้องนั้น ตามแนวแถวของบัณฑิตนักปราชญ์ที่แนะนำสั่งสอนกันมาบอกกล่าวกันมาไม่ใช่อย่างนี้อันนี้เป็นการกระทำที่ได้รับมาพ่อสอนบอกว่าให้เคารพให้เคารพคารวะทิศ ท, ทั้งหกนะลูกนะให้นอบน้อมทิศ ท, ทั้งหกนะลูกนะจะจึงจะเจริญในการเป็นอยู่ถ้าเจ้าเป็นครวะเจ้าดารงชีพเป็น ครว่าทครองเรือนเจ้าต้องเคารพทิศทั้งหกนะั่นลูกนะแต่จากนั้นพ่อก็ได้จากไปได้ไม่ได้อธิบายขยายความว่าทิศทั้งหที่มีความอยู่ในใจของพ่อนั้นอ่ะพ่อมีความมีจุดประสงค์อะไรแต่พ่อนี่ได้เรียนได้ศึกษามาแล้วแต่ว่าอธิบายไม่ได้ในช่วงนั้นป่วยหนักจากนั้นพอสั่งแต่เป็นห่วงลูกอย่างมากเพอลูกกําลังไฟไฟแรง จบมาจากเมืองตะกัศิลาไปเรียนวิชาอาชีพมาและทำมาค้าขายแล้วก็เข้ามากุมัดเ็นพ่อพ่อก็ป่วยพ่อก็มีแต่ว่าให้เคารพทิศทั้งหกนะลูกนะให้คารวะทิศท้งหกนะนอบน้อมทิศทั้งหนะในการเป็นอยู่ของคารวาะหรือว่าการทำมาค้าขายจึงจะเจริญถ้าว่าลูกไม่รู้จักคารวะทิศท้งหแล้วลูกจะหาความเจริญใน การเป็นคารวะไม่ได้พอจากท่านมาพ่อก็ใจขาดตายไปที่เป็นเศรษฐีพ่อเป็นเศรษฐีแต่เทนีลูกก็เมื่อได้รับคําสั่งจากพ่อจริงจังและจริงใจเป็นคําสั่งเสียบรรปลายของชีวิตเนี่ยเป็นคําสั่งเสียที่ประทับใจมากสําหรับผู้ที่ได้ยินได้ฟังลูกทั้งหลายอันนี้มานพท่านก็ สิงขาละมานพคนนั้นท่านก่อนมีความตั้งใจอย่างนั้นเหมือนกันจากนั้นท่านก่อนปฏิบัติตามพ่ออย่างเคร่งครัดพอตื่นเช้ามาอย่างเนี้ยตอนเช้าเนี้ยออกไปในชายทุ่งออกไปในสนามจากนั้นก็ยกมือไหว้ทิศตะวันออกยกมือไหว้ทิศตะวันตกยกมือไหว้ทิศเหนือยกมือไหว้ทิศใต้ยกมือไห ว, ว, ไ ว, ไ ว, ตตไว้บนอากาศยกมือไหว้ลงแผ่นดิน ครบหกพอดีพระพุทธเจ้าเห็นอุปนิสัยว่าสิงคาลมานพคนเนี้ยเป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้นอบน้อมเป็นผู้เชื่อในโอวาทของพ่อแต่ว่าทําไม่ถูกต้องบัณฑิตนักปราชญ์เขาสอนกันมาเขาไม่ได้ให้เคารพทิศทั้งหกยกมือไหว้ประหลอกปรล็กอย่างเนี้ยอแต่เขามีความหมายอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเห็นอุปนิสัย ท่านก็วันนั้นได้ไปโปรดคือว่าเดินไปบินทบาทกับไปเจอกับเขากําลังทําอยู่กับพระอานนุ์เหมือพระอา น, นุ์เป็นปัจฉามะณะคือเดินตามหลังพระพุทธเจ้าพอท่านก็เรียกว่าสิงค์คารมานบเธอทําอะไรเขาก็ตอบพระพุทธเจ้าพุทธองค์บอกว่าบิดาท่านได้ขยายความไหมว่าทิศ ท, ทั้งหกนั้นคืออะไรไม่พระเจ้าค่ะเพราะบิดาสั่งเสร็จแล้วก็มรณภาพ ไปกับผมก็ไม่ได้ถามความหมาย ต, ตามไม่จริงมันไม่เป็นอย่างนี้นะเธออยากจะรู้ไหมความหมายทิศทั้งหกเขาก็อยากจะรู้จากนั้นพระองค์ก็เอาตั้งใจฟังเราจะพูดให้ฟังพระโต้งบอกว่าทิศทั้งหกนะ่ยทิศเบื้องหน้ามารดาบิด า, ดาพวกเราควรปฏิบัติตนอย่างไรกับบิดามารดาเมื่อท่านให้กําเนิดอเราแล้ว เราเกิดมาจากพ่อจากแม่แล้วท่านเลี้ยงดูเรามาอย่างดีจนเราเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้เราปฏิบัติตนอย่างไรเราควรจะแสดงความกตัญญ <c oughs> ูกะตัญญูกตเวทีตาต่อท่านอย่างไรในเมื่อท่านเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปกรกรือพ่อแม่นี่เราอย่ามองข้ามถ้าพวกเราทำไม่ถูกนะทะเลาะกับพ่อกับแม่แล้ว นั่นแหะหาความเจริญไม่ได้ท่านจะตัดออกจากกองมรดกแล้วจากนั้นท่านตราหน้าไม่ให้มาเกี่ยวข้องกับท่านอย่างเนี้ยเราจะหาความสุขใจได้อย่างไรคนทั้งหลายเขาก็จะมองว่าเราเกิดมาจากพ่อจากแม่แล้วไม่ดูแลพ่อแม่พ่อแ ม, อแ ม, อแม่ดูด่าว่าเก่าวเราไปเลยกลายเป็ น, ป น, ปนบุคคลไม่รู้จักบุญคุณเป็นคนเป็นบุคคลที่เนรคุณเไม่รู้จัก พระคุณของบิดามารดาอันนี้ไม่ถูกต้องเพราะนั้นเราจึงนอบน้อมข อ, อนอบน้อมเคารพถึงพ่อแม่จะดูด่าว่ากล่าวอย่างไรเราก็ควรจะให้ความเคารพหรือไม่ต้องพูดหรือพูดน้อยที่สดุดในเมื่อท่านใจดีแล้วเราจึงจะชี้แจงเหตุและผลให้ท่านฟังหรือว่าเราทำผิดเราค่อยต้องยอมรับ เมื่อพ่อแม่ดูดาว่ากล่าวเราก็ต้องรับแต่ว่าเราคือหน้าที่เราจะทดแทนพระคุณท่านอย่างไรเราส s แสวงหาทรัพย์มาได้เงินด้าเงินเดือนเราควรจะแบ่งให้พ่อแม่ของเราอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องแสดงความกตัญญูกตเวทิตาม่ใช่ว่าท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วก็ปล่อยปะละเลยไม่ได้สนใจเหมือนกับลูกไก่ลูกเป็ดอย่างนั้นอ่ะไม่ได้นะอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านสอน เมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อทำกิจธุระของท่านดำรงวงศุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านขนาดเมื่อท่านยังตายไปแล้วก็ยังให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพราะเหตุใดเพราะร่างกายของที่ท่านมอบให้เราเนะี่ยยังอยู่กับเราอยู่ตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าเนี่ย คือท่านมอบให้เรายังมีโยเราเอาสมบัติของท่านไปทํามาค้าขายไปทํามาหาผลประโยชน์เมื่อได้ผลประโยชน์มาแล้วก็เร า, เราควรจะทําบุญอุทิศแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือความถูกต้องเมื่อเราเป็นโลกนี่แหละให้พวกเราฟังเอาไว้นี่หลักคือหลักของพระพุทธศาสนาที่ท่านสอนกาลามชนนํามาใช้กับพวกเรา เกิดประโยชน์พวกเราทำอย่างนั้นเกิดประโยชน์ถ้าเราทะเลาะกับพ่อกับแม่คิดดูก็แล้วกันอะไรจะเกิดขึ้นจะหาความสงบร่วมเย็นเป็นสุขไม่ได้นะชีวิตทั้งชีวิตนะทั้งชีวิตท่านด้วยทั้งชีวิตเราด้วยทั้งชีวิตครอบครัวของเราด้วยและไม่เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกของเราอีกต่างหากเมื่อเรามีสามีภรรยามีลูกออกมาแล้วถ้าเราทะเลาะกับพ่อแม่นั่นละลูกของเราก็จะทะเลาะ เป็นกลงล้อกรรมกเกวียนไปอีกนานเท่านานเพราะเหตุใดเพราะเราทำตนไม่ดีไม่เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกเพราะนั้นขอให้พวกเราคิดจุดนี้เห้เราเป็นตัวอย่างเราอยากจะให้ลูกเราดีเราต้องทำดีให้ลูกเราดูไม่ใช่ว่าความโ่วชา่าเสียหายมาแนะนำสั่งสอนเขาเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานเป็นนักเลงนักเลงหัวไม้ผลที่สุดตัวเองนะั่นจะได้รับกรรม ที่ตัวเองทำมาแล้วเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกคนนะสิ่งนี้คือธรรมะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากลัมทำสิ่งไหนกลัมสิ่งไหนไม่ดีไว้กลัมนั้นจะตามสนองเมื่อเราทำกับพ่อกับแม่ไม่ดีลูกของเราก็จะทำกับเราไม่ดีมันสนองไปเรื่อยๆต่อไปกับเลนก็ทำกับลูกของเราไม่ดีมันสนองไปเรื่อยๆกำล้อโกงเกวียนมันหมุนไป อันนั้นนะคือทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาทิศเบื้องหลังสามีภรรยาเมื่อแต่งงานกันแล้วเราควรจะเคารพสามีอย่างไรภรรยาอย่างไรสิทธิ์ของเขาคืออะไรสิทธิ์ของเราคืออะไรอันนี้ก็ต้องรู้จักการเป็นอยู่ให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันแบ่งปันกันรักเมตตาต่อกันชีวิตของครวัต ต้องมีต้องมีต้องมีคู่ครองแต่ควรจะวางตนอย่างไรในข้อคู่ครองของเราแต่เราเอารัดเอาเปรียบเขาออกลอกนอกหลู่นอกทางสามีก็ระแตกไปอีกแบบหนึง่งเออไม่รู้ไม่มีขอบไม่มีเขตสัมาเลเทเมาอบายยะมกทอกอย่างเที่ยวกลางคืนเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูกันเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นเวเกียรติข้านทําการงานไม่รับผิดชอบในหน้าที่ส่วนภรรยาก็เหมือนกัน นี่ทะเละแถแถ อ, อไม่เป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคมคนผู้ดีเขาแล้วครอบครัวนั้นจะมีความสุขได้อย่างไรในชีวิตประจำในชีวิตของทั้งชีวิตของเราอันนี้แหละคือทิศเบื้องหลังภรรยาสามีทิศเบื้องขวาครูบาอาจาร อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือครูบาอาจารย์ในระดับสูงเป็นผู้ชี้นำทั้งด้านจิตใจจากนั้นก็ครูบาอาจารย์มีหลายระดับมีการแนะนำสั่งสอนธรรมมาหาเลี้ยงชีพสอนวิชาอาชีพต่างๆขับรถขับปลาวิศ ว, ก, ว, ศ ว, รวกรรมวิศวกรรมทางกฎหมายธรรมมาค้าขายพาณิชย์บัญชีมีมากมาย อันนี้เราถือว่าเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนําสั่งสอนหาวิชาอาชีพให้แก่พวกเราเพื่อดํารงชีพให้อยู่ได้อันนี่แห่ะทิศเบื้องขวาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายพวกเราเกิดมาแล้วต้องมีหมูมีเพื่อนอย่างพวกเราสิบสี่คนนี่นะคนหนึ่งก็มีลงสีแต่มีอะไรขึ้นมาก็ตกทุกข์ได้ยากมาเออถําไปในที่นั้นเออไป ซื้อข้าวดูซิราคาเป็นยังไงผู้ที่เป็นทนายเออเอาไปถามดูซิกฎหมายบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ช่วยช่วยใดไหมผู้นี้ก็เออเอาตกแต่งบ้านเอาเป็นยังไงผู้นั้นเออเป็นตำรวจถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ไปหากันเออตำรวจช่วยช่วยกันนะช่วยช่ยผมหน่อยนะถ้ามีมิตรถ้ามีสหายมากๆแล้วมีแต่ความผาสุกไปณสถานที่ใดร่มเย็นเป็นสุขประสานกันแต่พวกเราอยู่ด้วยกัน อมีแต่อิจฉาพยาบาทกันมีแต่อาคตาจองเวีต่อกันไม่มีมิตรไป ม, มีเพื่อนไม่มีสหายแล้วพวกเราจะหาความสงบพรมเย็นเป็นสุขไม่ได้เอพูดอย่างนั้นได้เพราะฉนั้นมิตรสหายนี่กัญยาณมิตรนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญทุกคนเป็นคนดีเอเกื้อกูลหนุนกันสิ่งที่มันไม่ดีบอกกล่าวกันเอ้ยมึงจ ะ, จะไปกินเหล้านะเว้ย อ, อย่าไปเที่ยวเตะ น, นะเว้ยต้องรับผิดชอบในครอบครัวนะว่าเอสอนกันแนะนํากัน ถ้าพวกเราแนะนำกันสอนกันเป็นกัญยาณมิตรนะแนะนำสั่งสอนก็เป็นที่ยอมรับกันนี่แหละเป็นเพื่อนที่ดีไปนักสถานที่ใดก็ร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าพวกเราจับกลุ่มกันเป็นคนชั่วมีแต่ชวนกั น, กนไปกินเหล้าชวนกันไปเล่นการพนันชวนกันไปค้ายาบ้าคัญชายาฝิ่นเฮโรอี น, นอันนั้นเป็นว่าปาประมิตรไม่ใช่มิตรที่ดีเป็นปาปะมิตรมิตรที่ชั่ว พาไปเข้าคุกเข้าตารางอ่พาพาเข้าไปหลักประหารฮะอย่างนั้นไม่ดีอันนี้ว่ากัาลญาณมิตรปาปลามิตรไม่ใช่ว่ามิตรมากจะดีทีเดียวก็ไม่ใช่ถ้ามิตรชั่วมากก็ยิ่งเลวมากถ้ามิตรดีมากก็ยิ่งดีมากนะเพราะนั้นพวกเราควรจะคบกัลญาณมิตรมิตรที่ดีนคือทิศเบื้องขวาคูบาอาจารย์ทิศ ทิศเบื้องซ้ายมิตรทิศเบื้องขวาค ร, รูบาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรและทิศเบื้องบนส ม, มณะพรามสมณะพรามเนี่ยคือครูบาจารย์การจะมีครูบาจารย์เนี่ยเราต้องเลือกอีกเหมือนกันชีวิตทั้งชีวิตของเราถ้าเลือกครูบาอจารย์ไปในทาง เ, เลือกครูครบาอาจารย์ผิดแล้วไม่มีครูบาจารย์ที่ดีแล้วไม่มีตัวอย่างที่ดีแล้วผิดทั้งชีวิตเป็นมิจฉาชี มิตรทั้งชีวิตเพราะเหตุใดเพราะเราไปครบที่อาจารย์ผิดเรียกว่าบุคคลเบื้องสูงเบื้องสูงคือครูบาอาจารย์ที่เบื้องสูงคื อ, อสมณพราม์สมณพราม์ก็คือครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจถ้าว่าเรายึดสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเรามองดูแล้ว ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาหรือว่าเป็นผู้มั่นในหลักธรรมคำสอนหรือเป็นผู้ยึดมั่นในคุณงามความดีเป็นหลักทางด้านจิตใจของเราเราก็ยึดท่านเป็นที่พึ่งแล้วก็เข้ามาถามไถ่ว่าครูบาอาจารย์สมณะพราหมณ์มีความเห็นอย่างไรผมมีความเห็นอย่างนี้ สมณพราหมณ์ก็จะเป็นผู้แนะนําสั่งสอนเอ้ยอย่าไปทํานะมันบาปเนอะมันเป็นกล้ำนะเอไม่ดีดนะไม่ถูกไม่ต้องนะอย่างนี้อย่างนั้น น, นนะอันนี้สมณพราหมณ์ก็เป็นผู้แนะนําสั่งสอนทั้งด้านจิตวิญญาณหนึ่งด้านจิตใจนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าพ่อแม่ให้อาหารทางร่างกายจนสมณพราหมณ์คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นท่านแนะนําสั่งสอนทางด้านวิญญาณคือจิตใจคิดยังไง สอนแต่แต่ความคิดคิดยังไงจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิทางที่ถูกต้องคิดยังไงเป็นทางที่ผิดอันนี้ก็คือสมณพผลามคือเบื้องคิดเบื้องบนทิศเบื้องต่ำพวกเราต้องมีลูกน้องต้องมีผู้ต่ำกว่าแล้วเราจะปฏิบัติตนยังไงกับคนที่ต่ำกว่าเราเราไม่ใช่ว่าจะเอารัดเอาเปรียบเขาตลอดไม่ใช่เราก็ต้องเลี้ยงดูปูเสือเขา เมื่อเขามีความทุกข์ยากลำบากอย่างไรเราต้องช่วยเจือจนหนุนเขาให้เขาอยู่ได้อย่างมีความสุขในระดับของเขาเราไม่เอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบเขาจนเกินไปลูกน้องก็อยู่กับเราได้เราจะใช้เขาเขาก็พอใจในการทำงานทำการทำงานกับเราแต่ถ้าเราเอารัดเอาเปรียบเขากระตอดเขาจะอยู่กับเราได้อย่างไรเพราะนั้นทิศบั้งต่ำเบา คือคนรับใช้เราก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกันเจ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรสุขภาพเขาเป็นยังไงการเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงอันนี้เป็นหน้าที่ของเจ้านายจะต้องดูแลที่เราเป็นที่เหนือของเขานี่แหละทิศทั้งหกจะได้อธิบายมาให้แก่พวกเราผู้ที่จะไปสู่คารวาสให้พวกลูกหลานทั้งหลายให้คิดที่หลวงพ่อได้บอกกล่าว ทิศเบื้องหน้ามารดาปิดาทำตนอย่างไรได้บอกแล้วทิศเบื้องหลังสาสามีภรรยาปฏิบัติตนอย่างไรต่อกันเคารพสิทธิ์กันอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทำอย่างไรทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายควรปฏิบัติตนอย่างไรทิศเบื้องบนสมณพราหมณ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจพวกเราควรปฏิบัติตนอย่างไร ทิศเบื้องต่ำเบื้องต่ํเบาคือคนรับใช้เราควรจะแนะนำให้ความเมตตากับเขาอย่างไรนี่และพวกเราไปสู่คราวญาแล้วถ้าเราปฏิบัติ ต, ต่อทิศทั้งหถูกต้องแล้วมีแต่ความเจริญไม่มีอุปสรรคราบพรื่นไปทั้งชีวิตเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะลูกหลานทุกคนคิดนะแล้วกัการดารงชีวิต ของตนเองอุตทานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันรักคะสัมปทาให้รักษาทรัพย์สมบัติที่แสวงหามาด้วยความยากลาบากการยาณมิตรให้คบเพื่อนที่ดีงามสำ ม, มาชีวิตตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอย่าไปหลอกลวงเขาอย่าไปโคดไปโปงโกงเขาอย่าไปขอรับชงรับชั้นเราหาด้วยน้ําพักน้ําแรงของเรานี่แหละอันนี้คือความถูกต้อง เมื่อเราเป็นคารวะอันนี้การเสา ะ, ะแสวงหาทรัพย์พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้กีดกันแต่หาให้ทางในทางที่ถูกต้องหมั่นขยันเมื่อหมั่นขยันให้ได้มาแล้วให้รักษาอย่าไปใช้ชุลุยชุลไเพอหามาด้วยความยากลำบากเงินโจกวนจะใช้บาทหนึ่งแต่จะใช้เงินออกไปเนี่ยเราใช้เพราะอะไร ไม่ใช่ว่าเห็นอยากจะซื้อกซออ็ซื้อดะไปหมดผลที่สุดก็เป็นนี่เป็นศีลผลาญพลังหาเงินเก็บไม่ได้อันนั้นแปลว่าคนใจแตกคนใจรั่วไม่ดีของคนจะเก็บนะอละัลกหะซัมบะากัลยาณมิตรอย่างที่ว่านะให้คบเพื่อนเป็นคนดีอย่าไปคบคบ ค, บคนชั่วอย่าไปคบอย่าไปพบคบปาประมิตรเนี่ยให้พบกัลยาณมิตทอันนี้ก็คือการครบมิตร แล้วก็สัมมาชีวิตตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบมันขยันการทามาหาเลี้ยงชีพนี่แหละอันนี้คือครวดแต่ถึงยังไงพวกเราเข้ามาศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาหลวงพ่อก็บอกกล่าวแนะนำสั่งสอนว่าบาปบุญคุณโทษมีนะนรกสวรรค์มีนะตายแล้วไม่สูญนะนี่หลวงพ่อได้เข้ามาศึกษาในหลักของ พ, พุทธศาสนาเนี่ยเป็นเวลาถึง ห้าสิบกว่าปีปีนี้พันศาหลวงพ่อนี่ยสบหกนะพันหะนี่หพันศาที่เป็นพระนะแล้วก็เป็นเนน8ดอีกเป็นห้าสสี่ห้าสปีบวชมาในพระพุทธศาสนาชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นเวลาถึงห้าสิบก่ปี60สอายุ66ปีอนะ่าดูสิอายุ 11-12 ปีหลวงพ่อมาบวช หลวงพ่อเชื่อยังไงหลวงพ่อได้ปฏิบัติดูแล้วได้ภาวนาดูแล้วเอออย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนาสั่งสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนปฏิบัติดูแล้วตายแล้วไม่สูญยืนยันอย่างนั้นได้ตายแล้วเกิดอีกเพราะเหตุไรหลวงพ่อยืนเลยเพราะนั่งภาวนาจิตใจสงบลงไปแล้วร่างกา ย, ยแตกตายสลายแน่แต่จิตใจนั่นถ้าทำความชั่วแล้วไปเป็นเปร เ, เป็นผีได้ ไปเป็นสัตว์ที่ด้ชานได้ไปตกนรกได้ดวงวิญญาณนะคือความรู้สึกนึกคิดตัวนั้นนะ่ะออกจากร่างนี้ไปแล้วจะไปที่อื่นได้เหมือนกับรถนะเมื่อรถพังไปแล้วคนขับรถจะต้องหนีออกจากรถนี้ก็เหมือนกันนะร่างกายเหมือนกับรถแต่ จ, จิตใจเหมือนกับคนขับรถถ้าพวกเรานั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบได้แล้วนั่นละ่ะเราจะรู้ได้โดยตนเองไม่ต้องถามใครกายกับใจใจกับกาย แต่หลักของพระธศาสนาท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่ากายให้ความสําคัญเรื่องของกายเป็นเป็นรองทางจิตใจนั้นท่านให้เป็นหนึ่งอให้ความสําคัญเป็นหนึ่งท่านเรียกว่ามโนปูพังขมาธรมมามโนเศรษามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจมาในอันดับหนึ่งเพราะนั้นเราได้ปฏิบัติได้ภาวนาดูแล้ว อย่างพ่อแม่ครูบาจารย์หลวงปู่มั่นพวกเราคาดคิดไหมสมัยก่อนหลวงปู่มั่นมาอยู่น้ำตกยุงทองท่านป่ารงพงไพขนาดไหนเมื่อเจ็ดแปดสิบปีให้หลังท่านแต่พายบาทแบกกรดเข้ามาหาที่สงบสงัดภาวนาท่านเสี่ยงขนาดไหนเสี่ยงป่ารงพงไพทำไมท่านท่านถึงมาเยขนาดนี้ท่านภาวนาที่ไหนก็ไม่ได้ได้เหรอท่านหาที่สงบที่กลัว ในเมื่ออยู่ในที่กลัวแล้วใจมันจะไม่ส่งออกไปนอกใจมันจะอยู่กับตัวเองเพราะมันกลัวตายใจของเราเราไปนึกๆไปสิถ้าวันไหนถ้านั่นะเราไปอยู่ที่ป่าช้า ались, มุมวดัดกลางคืนคนเดียวเนี่เมื่อมันกลัวแล้วมันใจของมันก็มันกลัวผีมันก็ต้องอยู่กับตัวเองเดือพโทรพุทโธพุทโธเนี่ยเมื่อใจกับอยู่ตัวเองตลอดเวลาเพราะมันกลัวจากนั้นจิตใจก็เข้าสู่ความสงบเมื่อความสงบแล้วเราจะเห็นใจของตัวเอง พอมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองเห็นกับตัวเองเลยทีร่างกายกับใจเนี่เป็นคนละอ่านกันเลยทีเห็นได้ชัดด้วยตนเองทเลยโอ้กายนี่เป็นอย่างนี้โอ้ใจเนี่เป็นอย่างนี้เองแต่อาศัยกันอยู่แต่ไม่ใช่อันเดียวกันนี่แหละเมื่อเรารู้แล้วอย่างนี้ว่าเออตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกเพราะฉะนั้นกรรมชั่วเนะ่ยอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นจะติดตามใจดวงนั้นไปเกิดในภพภูมิต่างๆ เพราะนั้นขอให้พวกลูกหลานทุกองคนะทุกคนนะออกไปเป็นคราวาตเนี่ยให้ฟังเอาไว้ถ้าไม่เชื่อหลวงพ่อก็ให้ภาวนาดูพวกลูกหลานจะรู้ได้โดยตนเองว่าตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงเพราะฉนั้นพวกเราไปเป็นคราวาตแล้วก็ให้อยู่ในศีลในธรรมให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมที่สิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำนะลูกหลานนะ อ่าสงไหนที่จะทําให้คนอื่นเดือดร้อนอาย่าทำอ่าทาในสิ่งที่เป็นธรรมชั่งธรรในสิ่งที่เออที่จะเจริญรุ่งเรืองปฏิบัติตนให้ถูกต้องอ่ในทิศทั้งหลายทิศทั้งหกแต่มีแต่ความเจริญเนี่ยหลวงพ่อเอ่าเป็นห่วงลูกห่วงหลานเอ่แต่จะทํำยังไงได้ในช่วงนี้มามากระหม่อคืนนี่เองอ่เป็นห่วงพวกเราจึงได้มา แต่ตามไม่จริงเมื่อวานนี่ก็องค์หลวงตาหลวงพ่อก็เป็นผู้นั่งหัวโต๊ะอะไรพวกั้นเถอทั้ทงศาสตราจารย์นายแพทย์มาจากศิริราชทั้งสี่สามสีท่านจากนั้นก็หมอจากศรีนครินหมออุดรคณะแพทย์จากคณะสงฆ์มาประชุมกันจะรักษาองค์หลวงตาอย่างไราจากนั้นก็ได้พูดกันเป็นหลายชั่วโมงจากนั้นก็ได้ขึ้นไปก็ได้ไป ขอนุญาตจะองค์หลวงตาท่านก็เมตตานะตามปกติท่านจะไม่เอาอะไรนะ่ะโอเมตตาเลยสอดสายยางเข้าไปดูดน้ํำในกระเพาะท่านออกมาเมื่อวานเนี่ยท่านก็เลยเบาขึ้นมาหลวงพ่อจะได้ออกมาได้เนี่ยเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าวันนี้หรือ ว, ว, ว, วันพุ่งเนี่ยหลวลงพ่อคงจะกลับเข้าไปอีกออไปดูอาการขององค์หลวงตาอีกนี่แหละคือหลวงพ่อเนี่ยจะว่าไปแล้วก็คือประสาน ทั้งแพทย์ทั้งหมอทั้งพระเอจะพวกเราจะรักษาองค์หลวงตาอย่างไรจรึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรมนี่แหละหลวงพ่อนะคือไปอืออกจากพวกเราไปที่ไปอยู่นั่นไม่ใช่ไปสนุกสนานนะอพวกคนทั้งหลายเห็นโอ้โหหลวงพ่อสูบลงเยอะเขาวายอย่างนั้นนะผอมลงเยอะไม่ผอมได้ยังไงการอยู่การฉันมันไม่ปกติทั้งนั้น การหลับการนอนการขับการถ่ายการควบคนการใช้สมองใช้หัวจะประสานคู่คนอย่างไรดูแลองค์หลงตาอย่างไรเนี่ยมันอยู่ในมันใช้สมองใช้ความคิดอยู่ตลอดไงมันก็เลยพผอมผอมก็ไม่เป็นไรหรอกเอีข้อสำคัญให้เราได้ทําคุณงามความดีเท่านั้นพอแล้วหรอร่างกายเนี่ยถึงจะทนุถนอมเลี้ยงดูปูเสือดีขนาดไหน มันก็ไม่ถึงร้อยปีหรอกเดี๋ยวนี้เท่าไหร่นี่เพราะนั่นพวกลูกหลานทุกคนนะสรุปแล้วก็คือให้สั่งสมคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความชั่วช้าเสียหายไปเป็นคารวะกายเป็นคารวะที่ดีหลวงพ่อบอกเลยนะพวกเราทั้งหลายถ้าเป็นไปได้เรื่องสุรานะอย่าไปดื่มให้พรกพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้าดื่มสุราเข้าไปละขาดพระไตรสรณคมนะแต่ามาจึงขาด เพราะมันไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วมันก็ขาดได้สินี่พราะนั้นอย่าไปดืมด่มเอพอดื่มโุราเข้าไปแล้วนั่นแหลอทําความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ดาพ่อดาแม่ดาลูกดาเมียได้ทั้งนั้นเพราะมันขาดสติตีลูกเตะเมียได้ทั้งนั้นเพราะมันขาดสติออทินาทานขโมยของใครก็ได้ทั้งนั้นพราะมันขาดสติ ลาลาบละลวงสามีลูกหลานเออไม่รู้สิ่งที่ควรไม่ควรทํามันทําได้ทั้งนั้นพอมันขาดสติโกโหกพกลมต้มตุ้นหลอกลวงใครก็ได้ทั้งนั้นพอมันขาดสติเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ามันกินเข้าไปแล้วมันต้องขาดสติแล้วจะไปกินให้โง่ทำไมเออต้องสอนตัวเองอย่างนั้นนะเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกคนนะะหลวงพ่อพูดให้ฟังเนะี่เป็นแนวความคิด พวกเราจะต้องนาไปคิดนาไปพิจ า, ารณาไตรตรองเหตุและผลถูกต้องไหมที่หลวงพ่อได้พูดแนะนำสั่งสอนพวกเราเนี่ยพวกเรานำไปคิดนะต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นจะประพรมน้ำพพระพุทธมนตรเพื่อเป็นิลิเพื่อเป็นมงคลของพวกเราต่อไปเอาก้มหัวลงถง สายานโตโพธิยามูเลสักกยายนางนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิสยโหหิสายานสุสยังวังเรยอป ร, ราชิตปัญลังเกสิเศวัฏวิบ